อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็ภูมิใจที่จะขอนํารายการธรรมรบุรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังาทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภา ค, คมแล้วล่ะคะ่ะเป็นวันเสาร์ที่สิบสองพฤษภา ค, คมวันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ําเดือนหนะคะแล้วก็ปีมะโรงค่ะซึ่งทุกๆเช้า ว, วันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็ คงจะทราบกันดีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามเราฟังรายการธรรมารบรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำก็คงจะจำกันได้แล้วค่ะว่าเรียนเองก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ที่จะสนทนาพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ไพบูณภิพุโนพระอาจารย์ องค์ป่าถกประจํารายการธรรมรับรุญของสานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเกล้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคูณสิทธิปภากอน ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะขอแนะนท่านผูฟ้ฟังมากราบน้อมสักการพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมักการเจ้าข่าพระอาจารย์เจ้าข า, ช า, เ, า, าเชิญพาสาธุเจ้าข้าออในเช้าวันเสาร์ที่12บสองเนี่ยเจ้าข้าก็ปีคำขอจากบรรดาเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆนะเจ้าข้าที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายก็บางคนมีประสบปัญหาชีวิตเกี่ยวกับในภายในครอบครัววนนี้เจ้าข้าโยมก็เลยอยากจะขอย อิบยศเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็พุทธศาสนามาให้พระอาจาร ย, ย์ไพบูลณะ พ, พี่ปุโนได้เมตตาที่จะสากัชฉาหรือว่าพูดคุยสนทนาเพื่อว่าบรร ด, ดาน้องๆเยาวชนที่มีปัญหาในครอบครัวของตัวเองนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ตามเนี่ยซึ่งยมคิดว่ามีมีกรณีอย่างนี้น้อยแต่ว่าก็ยังมีอยู่อะ่ะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาของเด็กๆ ม, มากราบเรียนถามนะเจ้าค่ะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนนะคุณเตือนใ จ, จะะผู้ใหญ่อายุ 40- ่สหิบ นะพ่อแม่อายุจะขึ้นเลขสามหลักแล้วอย่างเงี้ยนะก็ะอาจจะยังมีปัญหากันอยู่บางก็มีนะใช่เจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้มากราบนรมาสการถามพระอาจารย์ไพบูลนะเจ้าค่ะก็คือเป็นยกเป็นกรณีตัวอย่างเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอาว่าเป็นว่า ราตัวเราซึ่งเป็นลูกนะเจ้าคะกับคุณพ่ อ, พ อ, พอคุณแม่ซึ่งไม่ว่าท่านจะอายุมากขนาดไหนนะเจ้าค ะ, ะแล้วเราก็เราจะอายุประมาทขนาดไหนก็ตามจะเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ตามหรือว่าอาจจะปีอายุมากแล้วอย่างที่พระอาจารย์ได้เอ่ยมืสักครู่นี้นะเจ้าคะกรณีที่อันแรกที่โยมอยากจะขอหยิบยกมาแล้วก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนได้สากาัะฉาหรือว่าสาธยายให้ฟังซิว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านาได้มีบท หรือว่าคำสั่งสอนพุทธวจะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนะเจ้าคะจะได้เป็นทางออกกรดีแรกก็คือโยมอยากจะขอหยิบยกว่ า, าสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านนั้นเนี่ยบางทีท่านอาจจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหานะเจ้าคะอาจจะเกิดการแตกแยกในครอบครัวหรือว่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงต้องมาอยู่กับปู่ย่าตายายบ้างล่ะหรือว่าไปอยู่กับผู้มีอุปการะคุณบ้างละดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดปมในใจของท่านนะเจ้าค่ะก็ทําให้หลายๆท่านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะบางทีแทนที่จะประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกๆนะเจ้าคะลูกๆโตมาก็จะได้ชื่นใจเนี่ย มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ติดการพรนันนะเจ้าคะแล้วก็บางทีก็ดื่มสุราเมาบ้างอะไรเมาแล้วหาเรื่องลูกบ้างอะไรอย่างเงี้นะเจ้าคะอันนี้เราเห็นกันอยู่ในสังคมอยู่แต่นี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยโยมอยากจะขออนุญาตกราบนักมาตการถามนะเจ้าคะว่าถ้าเผื่อเยาวชนคนใดก็ตามหรือท่านผู้ฟังท่านใดก็ตามเนี่ยเกิดมีปัญหาอย่างนี้กับผู้มี เรียกว่ามีพระคุณสูงสุดของเราล่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเราจะถ้าเปื้อโดยมากแล้วเนี่ยในชีวิตโดยทั่วไปนะเจ้าคะถ้าเปื้อคุณพ่อคุณแม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยลูกๆโตขึ้นมาอาจจะทำทำงานหาเงินก็ใหค้คุณพ่อคุณแม่ไปแต่บางทีท่านก็เอาไปใช้ใจ่ายในทางที่ไม่ถูกที่ควรเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเตือนท่านไหมหรือว่าบางทีก็เกิดโมโหโทโซไปพู ด, ดวสวนทางเจ้าคนะเจ้าคะอย่างนี้นี่จะมีบาปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วควรจะทําจิตอย่างไรแก้ไขอย่างไร เจ้าค่ะ น, น, นิมนต์เจ้าค่ะอันนี้แยกเป็นทีละประเด็นก่อนกุ้เช<า>นใจในกรณีคือโดยทั่วทั่วไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าออพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกอะไรต่างๆลูกมันดื้อมากก็จะพูดแต่แนวที่ว่าลักษณะว่าลูกดื้อลูกไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ ะ, คะทีนี้เอทีนี้กลับกันแบบกลับกันซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่น้อยน้อยลงมาหน่อยใช่นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ลูกเนี่ยบางทีดีดีนะลูกก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตามเรื่องของลูกนะ ลูกนี่หมายถึงลูกที่โตแล้วหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่พอที่จะ ค, คิดอ่านอะไรได้ใช่ไหมรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็มารู้ความจริงที่ว่าพ่อแม่ฉันมันไม่ค่อยดีนะเช่นเล่นการพนันบ้างอดื่มเหล้าบ้างผิดศีลบ้างอแล้วก็ตบตีบ้างแล้วมีพ่อแม่ที่เป็นอย่างงี้แน่นอน่า เ, เพราะว่าบางทีอาจจะมีเพื่อนชั่วหรือว่าเพื่อนมันชวนไปไม่ดีเนะี่ยทำให้พ่อแม่ท่านบางทีก็ยังมีกิเลสอยู่ก็อาจจะลงไปบ้างอนะ <Okay. S 2> ทีนี้ว่าพ่อแม่ในทุกๆพ่อแม่ทุกๆคู่ทุกๆคนนะก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่ในะความที่มีกิเลสคือราคะาโทสะโมหะเนี่ยอาจจะทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยกล่าวเทศทั้งๆที่รู้นะหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งๆที่ททททรู้ว่าไม่ควรแต่ก็ยังทำนะ <Okay. S 2> เช่นตีไพ่เล่นไฮโลนะหรือว่าตบตีลูกนะเล่นการพ น, นันนะเป็นผีพ น, นัน ผีสุรานักเลงสุรานักเลงหญิงนักเลงการผนันโอ้โหเป็นทางเสือ่อมเป็นอัมบายามุกเป็นปากแห่งความไปสู่อบายทําไปทํำไปเรื่อยๆ น, นรกกาเนิดเดรัจฉานปรตวิสัยเป็นที่หวังได้นะมีแต่ความตกต่ําลูกเดียวเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นในฐานะที่เราเป็นเป็นลูกอะเป็นลูกในสายเลือดนี่นะโอ้ยยิ่งต้องช่วยเหลือให้เต็มที่เลยใ <Okay. S 2> นะความช่วยเหลือเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือเอ่อในกรณีของอย่างเพื่อนเราเนี่ยนะ ถ้าเพื่อนเรามันกินเหล้าเมาเบียเป็นคนประมาทเป็นคนเล่นการพ น, นันเป็นคนที่ฝ่ายในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนรักของเราเนี่ยเราต้องเตือนนะพุทธเจ้าใช้คําว่ า, าห้ามมิตรผู้ประมาทนะคอยรู้จักรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วนะเราก็คอยที่จะดูแลรักษามิตรเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยไม่ให้ประมาท น, นนี่คือ บ, บทเป็นชนะที่ที่จะต้องทําแก่เพื่อนทีนี้ในกรณีของพ่อแม่เนี่ยนะถ้าพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ย คือถ้าท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลอย่างตีไพ่ใช่ไหมบางคนไปเขาใช้ภาษาอย่างนี้คุณแต่เขารําพัดราพัดเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปราพัดเต้นไฮโลหรือว่าตีไพ่เลย น, น, นะเจ้าค่ ะ, ะคุณจะต้องห้ามเขาจากการทําบาปคือหมายความว่าให้ท่านตั้งอยู่ในศีลทีนี้กระบวนการที่จะทําให้ท่านตั้งอยู่ในศีลจะทํำยังไงแต่ซึ่งตรงเนี้ยลูกเนี่ยจะต้องมีปัญญามกันนะคือว่าถ้าเราจะใช้วิธีการด่าว่านะการน้ำยาอ่อนน้าบงอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ได้ผลตรงที่ว่า เราก็จะผิดผิดหลักธรรมด้วยนะแล้วก็การกระทําของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะมีแต่ยิ่งจะแย่ลงในครอบครัวเจอหน้ากันก็ไม่มองกันมองตากันก็ค้อนกันผลึงตาใส่กันแล้วก็ด่ากัน <Okay. S 1> ด่ากันรับหลังแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยอุย้ย <Okay. S 1> กลับบ้านนี่มันไม่เหมือนเป็นบ้านคุณเดินใจ <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> คือกลับบ้านแทนที่จะมีความสุขอะไรต่างก็ต่างคนต่างแยกเข้าห้องนะเปิดประตู <Okay. S 1> ปึงปังหน้าตาไม่มองกัน วันวนหนึ่งแทนที่จะมากินข้าวกันไอนทท้ที่หนึ่งแทบจะไม่เจอกันเลยอย่างเงี้ยเจ อ, อทีหนึ่งก็ขอตังขอตังไม่รู้ใครขอใครละค่ะเออทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาครอบครัวแล้วแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้นะเรามีโอกาสที่ว่าเออต่อไปในอนาคตเราอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแบบนี้ก็เหมือนกันนะชุกค่ะเอออย่างพ่อแม่ที่เขามาไม่ดีทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอ่อมีมีกรณีแบบอมาตั้งแต่สมัยเด็กอย่างกรณีนี้คุณเตือนใจบอกว่า ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มีปัญหาครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเด็กทำให้ตรงนี้เป็นปนว้ทําให้เขาจะแบบมีมีพฤติกรรมอย่างนี้ในในปัจจุบันนี้นในความเป็นพ่อแม่ของเขาทีนี้เราต้องดูคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่คุณเตืนใจนะหนึ่งคือว่า เ, เลี้ยงดูบุตรขึ้นมานะบํารุงเลี้ยงบุตรขึ้นมาให้ให้การศึกษาอย่างดีคือสมมุติว่าถ้าเราโตขึ้นมามีการศึกษาอย่างดีเนี่ยเราก็รอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะว่า พ, พ่อแม่ตรงนั้นเพราะบุญคุณของท่านนี่ อันดับแรกก่อนนะมากมายมหาศาลไม่ว่าท่านจะชั่วขนาดไหนก็ตามเข้าใจไหมเราโตมาได้จนบัตรนี้เนี่ยเพราะมีบรรดาบิดาเป็นผู้ให้กําเนิดนะกายของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของบาดาบิดาให้มาถ้าไม่มีท่านเราไม่มีวันนี้เงินที่อยู่ในกระเป๋ารถที่คุณมีความสุขต่างๆที่คุณมีพ่อแม่ให้มาหมดนะเพราะถ้าไม่มีท่านเนี่ยไอ้พวกนี้คุณไม่เห็นเลยไม่เห็นแม้เงาเข้าใจไห ม, ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าเราจะต้อง เข้าใจให้ถึงลึกซึ้งใจว่าโอ๊ยพ่อแม่นี่มีบุญคุณมหาศาลชนิดที่เรียกว่มมาตอบแทนกันได้ไม่หมดนะต่อให้เราเอาทรัพย์สินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามายกให้ท่านหมดเลยนะยกให้ท่านหมดเลยก็แถมเลือดให้ด้วยแถมเนื้อให้ด้ว ย, วยก็ยังใช้ไม่หมดคุณค่ะอืมเพราะฉะนั้นท่านจะเอาเท่าไหร่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไม่ให้ไม่ได้นะคือให้หมดก็ยังยังถือว่าทดแทนบุญคุณไม่พอนี่คือกรณีของการทดแทนบุ ญ, ญนะคุณนะคุณเอินใจคุค่ะ ทีนี้ว่าบุญคุณมากมายขนาดนี้เนี่ยเราควรจะตอบแทนอย่างไรถึงจะสะสมเสมอกันนะพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงว่าถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านเป็นบุญมีศีลนะถ้าท่านไม่มีจาระฆะไม่มีศรัทธาไม่มีไม่มีปัญญาให้ท่านมีศรัทธามีจาระฆะมีปัญญาทีนี้ตรงนี้เป็นการตอบแทนที่สมเอ็มสมผลนะคือคือเราต้องช่วยให้ท่านพ้นจากไอความประมาทตรงนี้ให้ท่านพ้นจากถ้าเราเป็นลูกนะแล้วเราเห็นว่า มาหน้าบิดาเราปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาร์กนี่นะโอ้ยเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างบุญใหญ่แนละ้วให้คิดอย่างนี้ <Okay. S 1> เพราะอะไรเพราะว่านี่แหละเป็นโอกาสที่เราจะทําให้ท่านมีสินจะเป็นการอุปการะซึ่งกันและกันอย่างมากบุญคุณที่เราทําตรงนี้สามารถตอบแทนให้ท่านได้แล้วจะเป็นเครื่องที่สามารถให้ท่านเป็นอยู่ในภพหน้าอย่างสบายใจได้ <Okay. S 1> โอกาสมา ถ, ถึงแล้วแต่มาต้องการบุญอย่างนี้นะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเราใช้โอกาสเนี่ยในการสร้างบาปกรรมให้ตัวเองหู้ยวยมากๆากเลยคุณเดืนใจนะคุณ <Okay. S 1> คุณมีโอกาสใหญ่ใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณยังเอาไปด่า ไปว่าเป็นทําให้ดีมองค้อนควักแล้วก็ทําตาถลึงใส่มีแต่จิตเป็นโมโหโทโสกับบ้านน่ะไม่มีความสุขไอ้เหีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยคือหาบาปใส่เจ้าของหาบาปใส่ตัวเอง <จ uk S 2> เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสที่จะทําความดีตรงนี้ให้มากแล้วเนี่ยนะอะคือคืออย่างสมมุติว่าถ้าพ่อแม่เปรียบเทียบนะคุณใจเปรียบเทียบในกรณีที่ว่าพ่อแม่เราดีอยู่แล้วเนี่ยนะการที่เราจะทําให้ท่านเปลี่ยนจากดีเป็นดีขึ้นเนี่ย ดีแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งมันก็ดีน ะ, ะนได้ง่ายกว่านะเจ้าค่ะว่าใช่ทีนี้แต่ถ้าท่านจากไม่ดีมาให้เป็นดีเนี่ยโอ้โหต้องใช้ความพยายามมากใช่ไหมความพยายามตรงเนี้ยเป็นการที่เราจะสามารถบําเพ็ญบา ร, รมีสร้างบุญกุศลได้มากทีเดียวให้<ช>คิดคอย่างนี้<ช>น ะ, ะทีนี้การที่เราจะสร้างบุญกุศลมากคุณต้องมีคุณธรรมอะไรคุณต้องคิดอย่างนี้นะอย่าไอ้เรื่องการด่าการว่านี่เป็นบาปกรรมอย่าทำนะการคิดร้ายการคิดอาฆาต นะมาคิดว่าฉันไม่น่าจะเกิดเป็นลูกแกเลยโอโหคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้เลยคุณเก<ม>ิด <ir> มาแล้วนะแล้วคุณก็เป็นลูกเขาแล้วเขาเลี้ยงคุณโตมาแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างไรมันมีขึ้นมาแล้วนะเราทำยังไงคุณต้องอดทนคุณเตือนใจแต่มาจะพูดอย่างนี้ว่าการที่เรามาเกิดกับบุคคลที่ไม่ดีหรือว่าเรามาเจอผัสสะที่ไม่ดีนี่นะมันมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่หรอกมันก็เป็นกรรมที่มันมีกันมานึกออกไหมเพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าเรา เราทำไมต้องมาเกิดในท้องแม่คนนี้ทำไมต้องมาเกิดกับพ่อคนนี้ทำไมฉันไม่เกิดสบายๆโอเคเรื่องนี้ไม่เป็นไรเพราเราเป็นกรรมกันมาแล้วน ะ, ะในเมื่อเรามีกรรมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็อดทนไว้ซะรับไว้ซะไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไขไปให้ทําใจให้สบายอย่าอย่าไปถลึงตึงตังแล้วก็าหาบาปใส่ตัวเองอย่าทำะนะให้หาบุญทําบุญทำยังไงนะเรากลับมาบ้านเราพูดจาดีๆกันแล้วถ้าเขาด่าเรา่ทํายังไงเราอดทนไว้น ะ, ะแล้วมีจังหวะ มันคือคนเรามันไม่ได้โกรธได้ตลอด1 0 0ยหรอกมันจะมีจังหวะที่อารมณ์ดีนะอ่าแล้วก็สบายใจเราก็ค่อยพูดเรื่องที่ดีๆจังหวะที่เขาถ้าอารมณ์ดีสบายใจแล้วเนี่ยเราเราพูดใส่นะเราด่าเขาเนี่ยโอ้โหมันมันพูดกันไม่ดูเรื่องเลเจ้าค่ะเนอไอ้ที่อารมณ์ดีๆนี่ก็เียงกระ บ, บงกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่าเราต้องคอยคิดอยู่เสมอนะว่าพ่อแม่มีเป็นคนนะอันนี้ประการที่1น่นะประการที่2เราอย่าใส่อย่าหาบาปใส่ตัวเอง นะเราเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นเราให้อดทนไว้นะเราก็พยายามที่จะแก้ไขโดยการที่คิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสในการบำเพ็ญบุญใหญ่แล้วนะในการที่อตอบแทนบุญคุณของท่านได้แล้วนะ้ะตอนที่หาจังหวัดดีๆนะที่ท่านพูดท่านสบายใจเราเชื้อเชิญมาวัดบ้างนะอ่านหนังสือธรรมะให้ท่านฟังบ้างนะในวัดในบ้านเราก็เปิดซีดีธรรมะบ้างนะให้ธรรมะในกล่อมก่าจิตใจไป เจ้าค่ะแล้วอย่างไ ร, งรก็ตามตัวเราเองคือคุณจะชักชวนคนอื่นให้มาหาธรรมะได้หรือว่าให้มาปฏิบัติธรรมะได้ใหมาเป็นคนมีศีลคุณเองต้องเป็นคนมีศีลนะเจ้าค่ ะ, ะตัวลูกเนี่ยคุณในเมื่อคุณรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเนี่ยมีความฮิริโอตปะความโกัวความละอายต่บะงั้นคุณอย่าทำบาปให้ทําความดีนะทำความดีในที่นี้นี่ก็หมายความว่าเราก็ไม่ปฏิบัติทำบ้าง เราก็ไม่เป็นเที่ยวสำเร็จเทมาลเราจะเป็นคนอยู่ในศีลเนีเป็นคนที่เป็นคนดีเนีเป็นคนที่พูดดีคิดดีทําดีเป็นคนมีความอดทนเป็นคนมีใจเมตตาเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเราทําอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเราเป็นคนดีมากๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถชักจูงคนอื่นให้มาเป็นคนดีด้วยได้คือคือหมายความว่าถ้าเราชั่วใช่ไหมแล้วเราบอกให้คุณทําดีเนี่ยมันมันพูดไม่ขึ้นนะ เจ้าค่ะ ค, คใจนี้ไหกมก็ <c oughs> คงไม่มีใครมาเชื่อเรานะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเราจะไปบอกให้คนอื่นเขาทําดีก็ต้องเริ่มจากตัวเราว่าเราดีจริงจริงใช่ใช่เจ้าค่ ะ, คะเพราะฉะนั้นเราเราต้องทําเองก่อนนะเราทําเองตัวเองให้เราดีเสร็จแล้วเราชักชวนท่านให้ไปได้ะนะเราต้องมั่นใจมั่นคงในคําสอนพระเจ้าให้มั่นใจมั่นคงในความดีะนะเราก็อย่าเอาบาปมาใส่ตัวเองอันนี้ต้องเตือนให้สําคัญคพ่อแม่เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอุปการะเรามาก นะ <Okay. S 1> ให้เลือดเนื้อเรามาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปว่าไปด่าเนี่ยบาปกรรมนี่ยิ่งมากคือคุณตื่นใจเนี่ยหรอไหมทำไมการฆ่าพระอาหารหันเนี่ยถึงเป็นอนันตริยกรรมทำไมการฆ่าพ่อแม่ถึงเป็นอนันตริยกรรมนะเป็นบาปที่หนักมากทําไมฆ่ามดฆ่าปูฆ่าปลวกไม่ไม่บาปหนักเท่ากับฆ่าบุคคลที่มีความสําคัญอย่างนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีบุญกุลมากอา เ, อาเอาเปรียบเทียบนะสมมติคุณฆ่าวัวฆ่าควายตัวหนึ่งนะด้วยจิตที่มีความอาฆาต นักฆ่าคนธรรมดาคนหนึ่งด้วยจิตที่มีความมาคาดและก็ฆ่าพระอาหารหันต์ด้วยจิตที่มีความมาคาดเนี่ยถ้าัวฆ่าควายเนี่ยได้บาปน้อยกว่าน้อยที่สุดนักฆ่าคนธรรมดาก็ได้บาปมากขึ้นมาอีกนะกฆ่าพระอรหันต์จะได้บาปมากที่สุดทั้งๆที่จิตสมมติจิตของคนฆ่าเนี่ยเขาควบคุมได้ว่าให้เท่ากันหมดนะัคือองค์ประกอบทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแต่บาปกรรมคือเขาพู้ที่รับการการะทําของเราชั่วๆวของเราไปเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆเท่าไหร่เนี่ยบาปกรรมเราจะยิ่งมากเท่าเป็นทวีคูณโจค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราด่า Designer, พ่อแม่คุณหวังได้เลยว่าชีวิตคุณจะเจริญได้น้อยเจ้าค่ะนี่พูดกันแบบไม่รู้จะพูดได้ยังไงก็พูดตรงๆนี้แหละเจ้าค่ะก็สรุปเจ้าค่ะสรุปแล้วโยมอยากจะขออนุญาตสรุปอย่างนี ah, no ้ได้ไมได้เพระว่า การที่เราเกิดจะโชคไม่ดีมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านอาจจะสำเร็จเทมามหรือว่าไปในทางอบย ม, มุกนั้นเนี่ยก็อยากจะขอให้บรรดาน้องๆหรื อ, อท่านผู้ฟังที่โชคไม่ดีทั้งหลายนั้นเนี่ยต้องคิดอย่างหนึ่งเป็นอันแรกที่พระอาจารย์พูดนะนะเจ้าค่ะว่าก็ต้อง คิดว่าอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นบุญกรรมกันมาถูกไหมเจ้าคะเป็นเป็นเป็นกรรมของเราแหละที่ว่าเราถึงได้มาเกิดอยู่เช่นนี้ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหลุดพ้นกรรมไปได้อ่าในตามคําสอนขององค์พระศาสัมพุทธเจ้าก็คือการที่จะต้องทําหน้าที่ของบุตรอย่างดีที่สุดนั่นก็คือการที่จะชักชวนคุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นเนี่ยให้เข้ามาในทางธรรมโดยใช้น้ําเย็นเข้ารูป <c oughs> ใช่ไหมเจ้าคะที่ว่าจะต้อง ใช้เวลาดีๆช่วงเวลาดีๆที่ว่าจะชักนําท่านให้ให้เข้ามาในทางพุทธศาสนาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะเปิดธรรมะให้ฟังบ้างอะไรต่างๆรวมทั้งตัวเราเองก็ต้องเริ่มที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้ท่านได้เห็นว่า อ, อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เป็นคนมีศีลธรรมว่าอย่างนั้นเถอดถูกั้มเจ้าคะใชะ่ประเด็นหนึ่งที่คุณตนใจพูดมาสักครู่คือเรื่องของการแก้กรรม ที่ว่าเอ๊ะถ้าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้เราโอ้ชั้นกรรมชันมากหรือเกินทําไมชั้นซวยขนาดนี้โชคร้ายมันมีวิธีแก้อยู่แตพระเจ้าเคยพูดถึงการกระบวนการการแก้กรรมที่ว่าเราจะทําไงให้ไอากรรมที่เราเกิดมาอย่างนี้มันสิ้นไปคือพระองค์เคยเปรียบเทียบกับน้ํำน้ําแก้วหนึ่งใช่ไหมเราน้ำสแก้วเนี่ยเอาเกลือก้อนหนึ่งใส่ลงไปนะกินดื่มกินก็แโอ้มันเค็มปีเลยนะเอาเกลือขนาดก้อนเท่าเดียวก้อนขนาดเท่ากันเนี่ยเอาไปใส่หนแม่น้ําเจ้าพระยาหรือแม่น้ำปิงก็ได้หรือแม่น้ำโขงก็ได้ นะใส่ละลายดูเออความกินอ่ะมันไม่เค็มเลยความเค็มนี่แทบจะวัดไม่ได้เลยนะก็เพราะว่าปริมาณน้ําที่มันมากนะคือความเค็มของเกลือเนี่ยเปรียบเสมือนกรำชั่วที่เราเคยทํามามันจะให้ผลใช่ไหมมันแค่เป็นหนุนที่าาให้ชีวิตเราเค็มเค็มชีวิตเราแบบเอ่อเขาเรียกว่ามีตแต่ความลำบากอย่างงี้ะะนะทีนี้เอ่อเราจะทำไงให้ความตกตะกรรมลําบากเนี่ยมันน้อยลงเจือจางไปเหมือน<จ>ก้อนเกลือก้อนหนึ่งที่ไปอยู่ในแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นต้น แล้ก็โดยการที่ทําความดีนะน้านี่คือความดีเข้าใจไหมถ้าเราทําความดีมากๆนะ้ำเกลือก็จะเจือจางลงไปเพราะฉะนั้นการจะทําความดีได้มากมากคุณเตือนใจคุณจะต้องปฏิบัติตามอริยมรัคมีองค์แปดยิ่งด่ากันนะยิ่งทุกข์นัอย่างสมมุติเขาเขาโกรยมาเนี่ยเราเทเชื้อเข้าไปใส่ยิ่งระเบิดตู้มเลยคุณเตือนใจครนะอบครัวเนี่ยโอ้โหมันอยู่กันไม่เป็นสุขบางทีต้องหนีออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเย็นเย็นและต้องอดทน เราจะต้องปฏิบัติตามมาร์กแมาร์กแคืออะไรอย่าด่ากันอย่าว่ากันให้มีสัมมาวาจานะอย่าคิดชั่วกันอย่าคิดทำร้ายกันให้มีสัมมาสังกัปนปะทำจิตให้สบายทำจิตให้มีสติให้มีสมาธิคุณจะอดทนได้มีสัมมาสมาธิมีสัมม า, าสมาสตนะิเรามีประมาณนี้เราทำได้เท่าไหร่เราก็ทำไปนะทำไปทำไปให้จิตของเราให้มันสร้างบุญมากๆสร้างบุญมากๆมีอะไรมากระเทือนเนี่ยมันจะสามารถอดทนได้ คือคื อ, อเรื่องพูดในรายการวิทยุเนี่ยมันพูดได้นะคุณตืนใจแต่<จ>พอ พ, อ, พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆเนี่ยสมมติคนมาด่าว่าเราเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นน่ยจะไม่โกรธเลยแต่ทําไมต้องเป็นพ่อแม่ฉันเป็นลูกฉันหรือเป็นคนที่ฉันรักเนี่ยมาด่าฉันเนี่ยนิดเดียวมันจี๊ดขึ้นมาทันทีเจ้เาค่ะมันพูด<จ>ง่ายนะ<จ>ในรายการวิทยุเนี<จ>่ยแต่พอโดนจริงๆเนี่ยโอ้โหมันตึ๊บเลยบึนเล ย, ยาบางทีหูอื้อไปเลยคุณเตือนใจกลับมาเอาเงินที่เราเก็บไว้หายถูกขโมยเงี้ยคนใกล้ตัวเรานี่เอาไปด้วย อมันทนไม่ไหวอย่างเงี้ยนะทางน้าที่<ตรง>อยู่ที่สำนัก ง, งานอาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยมีเพื่อนยื ม, ยมไปใช้เออเราแบ่งปันให้ได้ไม่เป็นไรนี่แหละคือประเด็นที่ว่าทำไมบุคคล น, นี้ทําอะไรไใหนนน้นิดนิดหน่อยหน่อยเราถึงโกรธมากขนาดนี้มันเป็นกรรมก็จะไหมทํำไมคนอื่นทําไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าความเกี่ยวเยื่อเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันมันไม่มีเพราะเราจะแก้กรรมได้เนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามมารกแบบเท่านั้นนะถ้าคุณจะไปใช้วิธีการที่หยาบหนาวิธีการที่ อ่าเป็นบาปเนี่ยเราจะยิ่งสร้างบาปให้ตัวเองชกค่ะว่านี้อันตรายมากอันตรายเท่าเป็นทวีคูณถ้าบอดว่ายิ่งเป็นพ่อแม่คุณเองชกค่ะอืมเราบางคนอาจจะอารมณ์ร้ายอย่างที่เราเคยเห็นนะนะชกคะ <c oughs> ไปทําร้ายคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะถึงกับท่านสิ้นชีวิตนี่ยิ่งเป็น oh ho, บาปหนักเลยนะบบนกชกค่ะมากเลยก็คือว่าเหมือนกับหญ้าปากคลอกของวัวเลยคือวัวไหนายอยู่วัวตัวไหนยอยู่ปากคลอก อ, ออกก่อนนั้นคือคุณจออยู่ที่ปากประตูของนรกแล้ว นรก <Okay. S 1> นี่ไม่ใช่นรกธรรมดาเป็นนรกเอเวจีมารนารกนะเป็นนรกที่ไม่มีความไม่มีที่หยุดพักในระหว่างมีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาก็อันตรายมากคุณตนใจแล้วก็เราถึงว่าจะต้องรักษาจิตของเรายิ่งมากๆเลยพระวัตาเราเคยปริบเที่ยงเหมือนกับอย่างใ น, นเหตุการณ์อย่างเนี้ยเรากลับมาบ้านปุ๊บโอ้ยคนนี้ก็เป็นอย่างนี้คนนั้นก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็พ่อแม่เรานี่ก็พี่น้องเราทําไมเราเกิดมาในครอบครัวอย่างนี้คุณต้องยิ่งรักษาจิตมากๆเหมือนกับ <Okay. S 1> นักโทษ มีคนมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชเชี่เปรีเทียบถือหม้อมาบ้อมาใบหนึ่งนะเป็นหม้อที่ก้นกลมๆ ม, มานะวางพื้นไม่ได้นะหม้อนี้ก็ใส่น้ํามันมาเต็มปริ่มถึงขอบปากเลยนะแล้วเขาก็ถือมาปรากฏเขาถือเดินมานี่ก็มีพิชกาตมาอยู่ข้างหลังเขาเพิชกาตคนนี้นี่อถือดาบอันเบลล์มเลยแล้วก็เล็งอยู่ว่าถ้าเมื่อไหรเราเนี่ยนะถือถือหม้อน้ำมันมานี่ทําน้ํามันหยดแม้แต่หยดเดียวจะบันคอเราทันทีอืเจ้าะนะแล้วในขณะที่เราอยู่ในสถานการณ์อย่างเนี้ย กับมาบ้านเนี่ยเจอพ่อแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณน้อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยคุณถือหม้อ น, น้ํามันมาด้วยแล้วมีเพชนชั่นค่าตามหลังมาด้วย <Okay. S 1> ถามว่าถ้าคุณตกในสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณจะสนใจอะไรคําตอบง่ายๆคุณเตือนใจต้องสนใจหม้อ น, น้ํามันอย่างเดียวจะไม่สนใจว่าพ่อแม่ฉันจะเป็นยังไงจะทําชั่วขนาดไหนจะไม่สนใจว่าพี่นอ้องฉันมันจะเลวจะอะไรยังไงสนใจที่หม้อ น, น้ํามันอย่างเดียว เหมือนกันว่าเราต้องสนใจจิตของเราอย่างเดียวรักษาจิตขอเราให้แน่วแน่นิ่งเลยนะเพราะมีเพชฌฆาตตามมาอยู่ข้างหลังเราเราคิดชั่วเมื่อไหร่พว่วงจิตเราลงในรกทันทีวินาทีนั้นนะคือจิตเราจะไม่ไม่ดีละเป็นจิตที่ชั่วแล้ะจออยู่ที่ประตูนรกแล้วคุณตายในวินาทีนั้นสวนเลยเป็นรกเลยเพราะฉะนั้นต้องรักษาจิตเราต้องอดทนนั้นคุณทํายังไงคุณสร้างบุญมากๆ ในอย่างเวลาเรามาที่ทํางานเนี่ยคุณต้องใช้ทุกเวลนาทีให้เกิดโอกาสอาสมมุติเราจะเข้าสู่สนามรบอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวจะเราจะต้องเตรียมตัวอย่างมากใช่ไหมเวลาที่นักรบเขาจะเข้าสู่สนามรบนะ่ยอยู่มไม่ใช่อยู่ๆคุณชักดาบมาแล้วคุณก็วิ่งเข้าสนามรบไปเลยคุณก็ตายฟรีสิเราจะต้องมีการฝึกซ้อมก่อนนะฝึกเพลงดาบเพลงยุทธอุปกรณ์เราต้องมีเราต้องรับไอคมนะอะไรต่างๆเตรียมชุดเกราะเตรียมอะไรเพื่อที่เข้าสู่สนามรบแล้วเราจะได้รอดกลับมาได้นะคือเหมือนกันเราจะกลับบ้านเหมือนกับเข้าสู่สนามรบนะบ้านบางบ้าน อู้คับไม่นี่ทำไงเนี่ระหว่างวันนี่คุณจะต้องมีสติอยู่ในลมหายใจฝึกอยู่เรื่อยๆนะฉันรอลิฟต์ฉันรอลิฟต์อยู่นี่ฉันก็ฝึกจิตให้มีสติเวลาประชุมคนอื่นยังมาไม่ครบเราฝึกรู้ลมหายใจในเวลาขึ้นลิมต์เราฝึกรู้รมลมหายใจฝึกไปฝึกไปเก็บชั่วโมงบินชั่วโมงบินไปนี่ซีคออรอยิ่งมีกําลังยิ่งมีกำลังยิ่งมีกําลังนะเขากลับบ้านเข้าสนาม ร, รบจริงๆสบายคนะนิ่งอยู่ได้ถือมอน้ํามันได้ไม่หกเตือนนะเราก็เราหาจงังหวะที่จะค่่อยๆดดึงททานไปสูีี หาจังหวะที่จะนำสิ่งดีๆมาให้สู่บ้านสู่เรือนของเราเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอุปการะมากบุญกุศลตรงนี้นเป็นยิ่งใหญ่มากคุณเตือนใจที่เราจะสร้างได้แล้วก็ทำให้มันเกิดมีได้นะจุ๊ค่ะอืม ก็อย่างที่พระอาจารย์ไพบุญเคยได้เมตตาสากฉามาในรายการของเราเนี่ยเจ้าคะ่ะบอกว่าถ้าเผื่อเราสามารถชักนําคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแม้แต่ญาติพี่น้องเราเนี่ยเจ้าคะ่ะที่เขาหลงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ทางเส้นทางของพุทธศาสนามาพุทธิบัติตนให้ดีขึ้นตามพุทธวจนาะหรือตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วพอเราได้บุญนี้นะแหม ถ้าถ้าปัญหาขนาดนี้เรายังแก้ไขได้นะคุณเนือนใ จ, จในครอบครัวเราก็ตามในพี่น้องเราก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงปัญหาอื่นๆแล้วเราแก้ได้ในะปัญหานี้ที่ทํางานการงานข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรามีคุณสมบัติจิตใจของความเป็นอาชไนัในะในการที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาเข้าสู่สนามรบด้วยความเป็นอาชไนด้วยมีจิตที่เรียกว่ามีความอดทนนะมีเมตตาจิตนะแล้ก็มีกุศโลบายมีนโยบายในการที่ทําความดีชักช่วงอื่นๆเป็นในทางดี นะเจอปัญหาในที่ไหนเนี่ยเราก็แก้ได้โจค่ะอันนี้มันคล้ายๆกับเป็นบททดสอบในชีวิตของเราเฉยๆโจค่ะนะั้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเด็กรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นก็ตามหรือว่าพึ่งอยู่ในปฐมวัยนะเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยให้คิดซะว่าเป็นเป็นโชคของเราในการที่จะได้บําเพ็ญบุญใหญ่ตรงนี้นะคุณคุณทำอะไรล่ะคุณสมบัติไหนล่ะที่จะทําให้เราผ่าสามารถฝ่าฟันก็เรียกว่าความท้าทายตรงนี้ไปได้ นะถ้าเราผ่าฝาฟันตรงนี้ไปได้เรื่องอื่นๆสบายล้นะเหมือนกับเวลาเรียนหนังสือคุณเจัยเขาจะสอนเกินกว่าที่เราจะใช้ในสมมติใครเรียนวิศวกรก็ตามเรียนเป็นศิลปะหรือเรียนอะไรมาเนี่ยนะในโรงเรียนเนี่ยเขาจะสอนเยอะแยะไปหมดเลยเวลาเอามาทํางานจริงๆเนี่ยนะแค่ไม่ได้ถึงหนึ่งใน10ของเท่าที่เรียนมาคุณเตจัยนึกออกไหมเจ้าค่ะอย่างเรียนความรู้ความเรียนอะไรที่เราเรียนมาแห่งไม่ได้อะไรเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอามาใช้จริงๆเนี่ยแค่หนึ่งใน10เท่านั้นเอง อ ย, อย่างอัตมาวิศวก ร, กรเนี่ยนะเรียนมาร้อยหสิหน่วยกิจเนี่ยเอามาใช้จริงๆในวิชาชีพแค่สามหน่วยกิตจจากร้อยห้าสิบหน่วยกิจใช้จริงๆแค่สาหน่วยกิจอะไรที่เหลือเรียนมาเสียเปล่าเปล่หรอไม่ใช่นะเป็นการเพิ่มความรู้ของเราต่างหาที่ว่าเวลาที่เราจะคิดการแก้ปัญหาต่างๆมันจะได้คิดได้น ะ, ะชิ้นเดียวกันประสบการณ์ตรงนี้ที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นการสร้างพื้นฐานจิตของเราให้ดีขึ้นได้นะถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้ในอนาคตต่อไป นะอย่าไปคิดว่าฉันมันบุญน้อยว่าสนนอยเป็นโชคเป็นบาปของเป็นโทษเป็นบาปของฉันเป็นกรรม เ, เรื่องนั้นเราแก้ได้ในะวิธีการแก้กรรมพระราชาเคยให้มาแล้วนะแต่พอเราทำไปอย่างนี้ทาไปอย่างนี้บุญบารมีเราเพิ่มขึ้นนาะอย่าลืมว่ามารดาบิดาเป็นบุคคลสำคัญของเรา นะเป็นบุคคลที่มีอุปกรณมากแกเราเราดูแลรักษาบำรุงเลี้ยงท่านให้ดีนะพาท่านไปเที่ยวไปกินบ้างนะมีเงินอะไรก็แบ่งกันใช้บ้างนะแต่เรื่องความเป็นคนพาลของท่านในบางส่วนเนี่ยเราก็เหลีกเลี่ยงซะเวลาท่านโกรธมาทําอะไรขึ้นมาเราหนีเราหลบเนะพระพระเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจกับด้วยคนพาลอาเสวนาจะพาลนังใช่ไหมเขาคนพาลจะพาเราพังเรากเ็เราก็ไม่ไม่ยุ่งกับท่านในช่วงนี้ท่านเป็นอย่างนั้นนั้นจะจังหวัดที่ท่านดีๆและเป็นบรรัณฑิตผู้จะได้เราชักชวนไปนในทางดี เจ้าค่ะอันนี้จะแก้ไปได้ไม่ได้เจ้าค่ะเรียกว่าหาจังหวะดีๆตอนท่านอารมณ์ดีๆแล้วก็พยายามชักชวนให้ท่านไปในทางที่ถูกที่ควรเข้ามาทางพุทธศาสนาได้ก็จะยิ่งทำให้เราได้บุญอย่างมากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นมหาทานที่หาบุญมหาบุญจริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆล่ะ เจ้าค่ะเหลือเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีเจ้าค่ะโยมอยากจะขอกราบกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญได้ฝากแง่คิดสุดท้ายให้กับบรดาน้องๆที่อาจจะโชคร้ายสักนิดหนึ่งสรุปว่าต้องทําจิตอย่างไรเจ้าค่ะเป็นการฝากท้ายรายการวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความที่เรียกว่าเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างบุญได้นะเพราะนั้นต้องให้เข้าใจถึงหน้าที่ของเราต่อมาลาบิดาก่อนนั่นก็คือว่าท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเรี้ยงท่านตอบนะเราต้องคอยที่จะให้ท่าน คอยที่จะทํากิจการงานของท่านนะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่มันจะครบกระเทือนกันนะทําสิ่งที่ไม่ดีเราหลบเราเลี่ยงซะเราหนีซะเราอดทนซะจังหวะที่ดีๆเราค่อยเข้าหาเราค่อยพูดคุยทำํำบ้านเรือนให้มีความสุขเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญให้จําไว้อย่างนี้และเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบารมีของเราให้จําไว้อย่างนี้เป็นโอกาสที่เราจะใช้ความสามารถทั้งหมดฝึกจิตของเราให้เราผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้ไปได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณแต่ใจเจ้าค่ะแล้วก็คิดในแง่บวกนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์สั่งสอนมาแล้วอื เจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเดือนคิดว่าสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโรพระอาจารย์ของเราได้สากฉามาในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้คงจะได้ให้แง่คิดและก็ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับบรรดาน้องๆที่เป็นเยาวชนก็ตามหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังบางท่านหลายๆท่านที่อาจจะอายุมากแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าท่านยังต้องมีกรรมเช่นนั้นกับอุปการีของท่านก็คงจะทราบทางออกกันแล้วนะคะ ถูกที่ควรค่ะสําหรับเช้าวันนี้ต้องลากันเพียงแค่นี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังกลับมากราบนมัสการฟ <res> <John? S 1> ังเรื่องดีๆจากพระอาจารย์ไพบูุญอภิพุโนแห่งวัดป่าดอนหาโศกตําบลดอนหาโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวดต้สะอาดที่ทุพโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพน ชูเจ้าค่ะ